ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าสารโกที่จะมาตัดเรียกว่าพุทธธรรมนอร์ไม่มีใครบอกว่าทํำดงใหน่ที่เหลือตึงแล้วจะมีทางเดินบ้างตัวหัวผมนจะมีในเดือนจนํานะที่ระว่าแล้วในเรือนจำแล้วยังคําพดต่อกันได้อยุดในเรือนจํามันอีกไม่เพียงว่าเป็นนักโทษแล้วมันทําโทษอะไรไม่ได้นะเป็นนักโทษแล้วมันยังทําโทษได้ อ, อย่างคนในเรือนจํา ฆ่ากันก็เป็นอยู่นนั้นเรื่องจำ น, นี้ก็เหมือนกันเมื่อไม่มีอาจมีทำอะไรมาที่แจงแสดงบอกเสร็จบอกผลดีชั่วต่างๆแล้วมันก็มีแต่ความชั่วเต็มหัวใจมันทําไมจะไม่จะไปเอาความดีจากที่ไหนมาทํามันมีแต่ความชั่วมันก็มีแต่ทําชั่วตลอดสิทำพระพุทธเจ้าให้มาตรัสรู้แต่ละองค์มันก็จมอยู่ยงั้นตลอดเนพระพุทธเจ้ามาันตรัสรู้แล้วจึงยกันนี้ขึ้นมาได้ยกนั้นขึ้นมาให้เห็นทั้งสองทั้งๆมันมีอยู่กับตัวเรานั่นแหละครับ เจอไม่ได้อืมเจอตั้งแต่ผลของทุกข์ที่กิเลสมันบีบบังคับแสดงผลออกมาตัวสาเหตุมันคือกิเลสที่มาผิดทุกข์ให้เราบีบบังคับเราให้เป็นทุกข์นั้นเราก็ไม่เห็นทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไม่เห็นเพราะไม่มีธรรมแสดงทางออกให้นี่ดูสินี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์ไปนานเท่าไหร่ก็ตามสวักอรธรรมนั่นแหละคือองศาสดาดังที่พระองค์จัดกับพ้าอนนท์มัน ว่านี้ซึ้งเหลือเกินนะถ้าทำแล้ววินัยนี่แหละที่เราบันหยัดไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แลนหละอนุน์จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเธอทั้งหลายเป็นศาสดาแทนเราในการที่เราร่วมไปร่วมไปแล้วก็หมายถึงพระใส่ละพระองค์ก็ร่วมไปเป็นธรรมนาของอนิจจังกฎอนิังอนิจจังทุกขังนาาั่ตาส่วนธรรมของจริงนี้ตลอดไม่ไม่เป็นศาสตาไปอยู่ตลอดผู้เคารพธรรมจริง วินัยจริงเขงรรารดศาสดาแล้วเดินตามนี้จะไม่ไปไหนจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประชนินอยู่ไม่ผิดอะไรกันเลยอย่างโซคาร์ตตาธรรมตัวคาร์ธรรมราบไม่ชอบแล้วชอบแล้วพอให้เดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถิดจากการเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีตรงก็อยู่ที่นั่นสุปฏิปันโนก็อยู่ที่นั่นอุชุก็อยู่ที่นั่นญายิอยู่ที่นั่นสามมิจอยู่ที่นั่นสุดท้ายก็ เอี๋สากวก็โตสาวก็สั ง, งโฆเมื่อบรรลุถึงความบุดพ้นแล้วกันั่นแหะนนและคือสาวกของพระพุทธเจา้า อ, อยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเพื่อผู้เป็นหลักของตัวแล้วของโลกไปได้คือทรงความจริงไว้ไม่หวั่น มีความจริงภายในใจแล้วไม่หวานการพูดปฏิบัติทุทกตัอย่างสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอสําคัญที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเน้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติเรื่องข่าวัดปฏิบัติคือการบ ท, บทวินัยอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตไดน้อมลงสู่ทำแล้วการดําเนินทํามจะได้ไปไปด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยต้องเป็น แต่เพียงแตความจําไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนะผมไมไ่ประมาททำของพระพุทธเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจําำมีแต่ความจําไม่เฉยความจำอันไหนมาแก้กิเลสได้มีเหรื อ, อจําไม่หมดพระการพิดกก็กิเลสก็เต็มตัวนั้นมันมีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบางผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้นด้วยความสําปัญว่าเราเรียนมากรู้มาก ไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัวความสำคัญนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแทรกอย่างนั้นให้ดูนะาอ้าวฟ า, า, าดปฏิบัติฟาดลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยขำความรู้ความฉลาดอ่านเป็นตัวกิเสลสสาคัญนั้นยางประจับไม่สงสัยความจงความจริงต่างกัน ความจริงในลงได้เข้าถึงไหนที่เหลียดหลุดลอยไปถึงนั่นความจําจําไปถึงไหนที่เหลียดมันพองขนขึ้นถึงนั่นเนี่ะนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมามีท่าว่าไม่ได้เรียนเลยก็คลใครๆก็จะว่าเรานี่ประมาทล้วจะเป็นสิ้นดีนั่นเราไม่ได้ประมาทในความรู้สึกงเราไม่เคยมีความประมาททาพุทธิย่านี้เรียนเราก็ได้เรียนจำํำเราก็ได้จํา เรีนนักำตรีดก็ได้ความรู้นักำตรีนี่มันหมายออกไปแล้วนะอ๋อเรามีความรู้มากนะได้ถึงนักทำตรีอะเพระราคัมโทแล้วขยายไปอีกแล้วโอ้แหมเรามีความรู้มากถึงนักทำชั้นโทนะก็เป็นนักทำเอกขึ้นเป็นมหาปริญญาก็ตัวโอ้โหจริงจะาก้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เหลืตันหาที่สี่มันนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดนั้นน่ะตัวโง่ที่สุด่ะมันไม่เรียนเพื่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อจะให้ลูก หลักขอ้ขอปฏิบัติแล้วจะได้เริยนตามนั้นนั่นเน่ยเรียนเพื่อความฉลาดอืการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องกาั่นหมายเอาสมบัติของผู้ดีเจ้าที่เรียนมาจําได้นั้นมาเป็นสมบัติของตอนความจำเป็นสมบัติได้อย่างไงความจริงต่างหากเป็นสมบัตินะเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านว่าป ร, ปริยัติ ป, ปฏิบัติ ป, ปฏิเวทฟังซิ ท, ทาทั้งสามอย่างนี้เป็นทําเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุ่งผู้มุ่งผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนมาแล้วต้องดําเนินตามทำทั้งสามาาาาาประเภทนี้ พญายาเทียนรู้เนี่ยอ้าวปฏิบาติท่านสอนว่ายังไงเช่นเจษารุมานะาท่านตาตโยท่านสอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือนี่ครอบโลกธาตุแล้วนี่ดังที่พูดจะกินอะไรร่างกายเป็นเจษาดูที่โลมาแล้วขนผมขนเล็บฝันหนังแน่คนเรามันดูกันได้เพียงหนังเท่านั้นหรอผิวบางๆหลอกตาคนโง่ะ ห, หลงนั่นก ทั่วดินแดนท่นถึงสอนตรื่องนั้นตาจ่เปี่ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นนะมันพอดูได้ที่เลศมันละเอียดแหลมคมมากมันฉลาดมากมันอัหนังบางบางมาหลอกสัตว์หุ้มไว้ในร่างหนึ่งๆแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายของสวยของงามพุ่งเฟอเ้อเหิมดิน้นรนบนจากยิ่งกว่าสุ น, นัขหน้าเดิน 9, ดก้าวบันจิตเสียงเห่าเสียงหอนึกกระทึกเพราะ อ, อานาจแห่งตานาคาตันหามันกําเริบมันดิ้นรน น้ำหนังห่อกระดูกนี่มันดิ่นรนอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ่นอะไรไเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชาร้างอยู่ทุกวันชาร้างของสปกปรกนั่นเองสะอาดได้ไปชาล้างกันทําใหม่นะ่ะเห็นอยู่นี่นี่ท่านจึงสอนมาถึงนี้แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่ได้สอนได้มากคีนี้ผู้พิจารณาที่พิจารณากระจายไปที่นี่ อาการยาเสพสานที่สองผมผลได้ันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามมองเข้าใจตัดผ่าปิดใส่ปอดหสียใจน้อยหัมาห้างเก่านาะหมดแล้วทีนี้ภายร่างกายตีกระจายไปแหลกด้วยปัญญาไปไหนมันจะหลงไปไหนกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสรกมันสันบ้านยอยตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลักความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนกิเลสมันจะหาที่หลบซ่อนไปที่ไหนนี่นั่งที่พูดแล้ว ใครมาสอนอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาสอนอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครเห็นใครรู้นี่มันปิดหูปิดตาไว้อย่างเม็ดทิฏฐิเดียดพิเดษปิดตาของโลกของสาลเมื่อสถิปัญญาอันเป็นหลักธรรมฟาดเข้าไปตรงไหนมันแตกกระจายไปตรงนั้นเห็นความจริงตรงนั้นนั้นนี่มันก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาคือนี่คือความจริงมันเข้าถึงไหนแตกกระจายถึงนั้นแล้วจิตเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นคือการถอนพิเดษด้วยความจํำด้วยการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วาปปฏิบัติดังที่ท่าน เราลู้มาเคสายเรมานักการท่านตาตะโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาพปริยัติท่านสอนก็นมาถานที่แรกนั่นแหละคือปริยัติเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปชาอาจารย์ของเราแต่นั้นก็เป็นภาพปฏิบัติเอาไปขี้คลากระจายดูท่านเห็นตามหลักความจริงนี่นั่นคือภาพปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอน ต, อ น, ตอนออกมาออถอดถอนตนออกมาที่เหลือถ้อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเัมืนอนคว่าปฏิเวทะปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยเรืเรือจนแทงทะลุไปหมดโปร่ปรงไม่มีอะไรเหลือเลย พ้นจากโรคพ้นที่ไหนทาไมพ้นที่ใจซึ่งถูกบีบังคับอยู่นี้ใจจะพ้นกันที่ไหนอืมใครจะมีจรวดดาวเทียมมาขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโลกพ้นโลกอะไรโลกนั้น ม, มันไปตายอยู่บนอวกาศก็อย่างมีมันไปพ้นที่ไหนมันเป็นไปตายแต่มันพ้นที่จิตนี่สิความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสาคัญที่ถูกยาพิษของของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุนติ้วอยู่ที่ ห, ủ, หั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมด ขับใจตรงนี้หมดสงสัยที่ตรงไหนนักปฏิบัติอ๋อจริงสิแต่มันลงได้รู้นี่แล้วไม่ต้องบอกแล้วฮะก็เหมือนหนึ่งนักโทษพอปล่อยออกจากเรือนจำท่านไม่ต้องถามวาบ้านน้องข้าอยู่ไหนว่าข้าติดตรางหลายปีแล้วข้าจําบ้านไม่ได้ไม่ต้องบอกแล้วมันเห็นทีเดียวอยากมีสักห้าขาหนึ่งสิบขาหนึ่งมันจะได้ไปพร้อมๆกันเลยข้อความอยากกลับบ้านกลับเรือนกลับไปสู่ความเป็นอิสระ อะไรจะมากนี่ปุ๋งว่าใจที่มันพองตัวเวลาพ้นจากโทษว่ะอันนี้ก็เหมือนกันเมือมันหลุดเราจากกิเลสแล้วไม่ต้องถามหาอะไรนิพพานถามหาอะไรือ <c oughs> ถ้ามันรู้นิพพานไม่ต้องถามหาไม่รู้นิพพานเราถึงถามกันนิพพานคืออะไรขอทําใจทําให้ ใ, ห ใ, หใหบริสุทธิ์เถอะมันจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นจิตวิสมมุติจะไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องขัดแย้งกันได้เลยเนี่ยธรรมะพระเจ้าสดๆร้อนๆอ ย, อย่างนี้เนี่ย มรรคผลนิพพานทำไมจะไม่ ส, สดสดร้อนร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัติวะเราไปถามแบบกว่าหาอะไรหลงหลงแรงแรงตะคุ้มเงาตะคุปทําไมเอาตัวมันที่จับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นเองเพราเงา ม, มันออกไปจากตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงามไม่ถูกแล้วตะคุ้มเงาเราวิ่งเงามันก็วิ่งมันทําเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มนหมายมันหลอกเราไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะมาตั้งกรรมคผลนิพพานไม่มีมีสัจธรรมสองประการเท่านั้นทุกขกสมัมภาย เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจไม่ให้ก้าเขาสู่พระผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกอสิ่งที่ปิดบังหุงห่หัวทั้งสองประเภทนี้ก็มารกษัตริย์นิโรธศัตร์ว่าอย่างไรนั่นมีเท่านี้เครื่องบุกเบิกที่จะให้ถึงพระผลนิพพานก็มีมากษาัตรติย์ได้แก่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธิสีสมาสังโฆจกระทั่งสมาสมาธิเป็นที่สุดนี่เครื่องมือบุกเบิกที่จะให้เข้าสู่พระผลนิพพานเอาให้เตียนโล่งที่เด็ดไม่มีเหลือพ่อมัชชิมานี่แหละ มันเพราะสถานที่เพราะการที่ไหนเพราะบุคคลผู้ใดมีอำนาจมาจิดกนานบังคับจิตใจของเราไม่ให้พ้นจากที่เด็ดไปได้มันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเองถูกที่เด็ดกล่องหมอนนั้นเองมันถึงไปไม่รอดหลับค่อกๆด้วยความประม่านอนจใจคือเป็นเรื่องที่เด็ดทั้งหมดนะแล้วมาผล น, นิพพานจะไปร่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล่สมัยใช่เองถ้าอยากให้ทันสมัยก็เอาให้ที่ เอาตามหลักธรรมพระเจ้าก็ไปสอนที่พูดธรรมของพระเจ้านี้ล่าสมัยที่ตรงไหนมัชฌิมามาัมาชฌิมาฟังสิพอเหมาะพอดีตลอดเวลาอะไรจะเหมาะยิ่งกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะเหมาะกับการปราบกิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทไหนถ่าผลออกมาญยากพังทลายนักิเลสประเภทนี้มันเก่งนี่ออกมามัชฌิมาปฏิวัติเครื่องมือชนี้ฟาดเข้าไปให้แหละเอากิเลสประเภทไหนออกมาเก่งออกมาสามารถแล้วออกมาเ มัชชิมานินเป็นไม่ถอยถ้าเราได้ยึดหลักมัชชิมาให้ดีแล้วที่เด็ดต้องพังทลายพังทลายเป็นลำดับ ด, ดา จ, จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายทังทลายด้วยมัชชิมาในขั้นอียดอีเช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้เมื่อผลนิพานท่านละยาสงสยัยสงสัยไปทําไมย่าถูกหลอกไปเรื่อยๆเชื่อที่เด็ดเชื่อมานานแล้วให้เชื่อท ำ, ทำทำท่านว่าอย่างนี้มัชชิมาปฏิปทานนั่นแหละเครื่องบูเบิกนี่รอดนี่รอคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัชชิมาต่างหาก มัชชิมาทำหน้าที่ได้มากน้อยถึงไหนความดับทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งมัชชิมาปฏิปท า, ามีกำลังทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์นิโรธคือความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วจะถามหามรากฏนิพพานที่ไหนไม่ถามอ ส, สดๆร้อนๆอยู่เนี่ยอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยดูคนพยายามกิเลสให้ดีตัวปิดตัวกัน้นกั้นด้วยวิธีใด อาการความคิดความตุงของจิตมันคิดมันรุงในเงี้ยต่างๆล้วนน่าจะเป็นกิเลสนั่นถ้าสติไม่ทันมันยิ่งสติทันมันแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสโนนเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั้นอ่ะมันจะได้รู้ชัดเรื่องของเรื่องความเคลื่อนไหวของกิเลสมันเร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้พอกิเลสเคลื่อนภาพสติปัญญาตื่นแล้วปัญญาตามต้นแล้วนานตามต้นแล้วตามตันแล้ว กิเลสต้องเหมอะความหมอะของกิเลสไม่ใช่กิเลสกลัวทำนะความฉลาดของกิเลสต่างหากมันเหมาะนั่นคน้นคว้าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายไปแล้วกิเลสหมดหลูกเต่าหลานเหรนดับเชื้อไม่มีเหลือภายใจิตใจแล้วนิจขาโตปานิบบุโตทันว่าหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจ นั่นดับสนิทคือกิเลสดับสนิทมันมีอะไรที่โลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนท่นเองมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบวนกวรใจบีบคบั้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาภูเขาดินฟ้าอากาศปิริฟ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับอะไรภูเขาตโลกเขามัไม่มาบีบบังคับนี่งนะกิเลสต่างหาบีบบังคับหัวใจฟ้ากิเลสท่านมันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับ เอาให้เห็นที่นปฏิบัติถ้ามาเห็นกับตัวเนี่ยยามไปให้เห็นกับผู้ใดว่าดียิ่งกว่าเห็นกับตัวของเราด้วยการปฏิบัติของเราเอามันจริงเนี่พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนเอาให้เต็มเหนียวผมไม่ได้สงสารผมไม่ได้ห่วงใยอะไรยิ่งกว่าห่วงหมู่หวงเพื่อนนะ เ, เห็นใจหมู่เพื่อนนี่เอาจริงๆนจิตของเรามันมันปฏิพัอืมมันรักมันสงวน ตามันก็แหลมไม่ใช่อ้วนนะพูดตามเจตนาตามความรู้สึกผิดพาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมไปตามอืมอะไรๆว่าแล้วดุแล้วว่าแล้วะ <Hey. S 2> เพราะอันนั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสให้กิเลสมันเหยียบย่าทําลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงะเราเป็นอาจารย์บอกแล้วสินั่นหลังมันก็ว่าตก อ, ออกไตออกอืมไปตั้งใหคดีสิอย่าเปิดตรงนั้นะ hey. นั่นเขาจะต่อยตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นนั่นเหมือนนักมวยเขาฝึกซ้อมมวยกันครูกับลูกศิษย์ฝึกซ้อมกันอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครา้งที่สามเตะเอ้าพอเตะก็เตะพอสอก็สอกเข้าไปพอหมัดกหมัดเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นอครูมวยตีครูมวยต่อยคู่มวยเตะ ม, ม, ม, มันไม่ได้เก็บเท่าคู่ต่อสู้ตบหรือต่อคู่ต่อสู้นี้ไม่ดีตายครูต้องตีบอกตีสอน ไปบอกไปสรนแต่ถึงยังนันยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ้อมเป็นไปฝึกซ้อมไปอย่าเปิดตรงนั้นนี่บอกแล้วนะฝึกซ้อมไปว่ า, อ, า, า, อ, าอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยล้วฝึกซ้อมไปพอครั้งที่สามมาตเขก็ไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้ก็ทํานองนั้นแหละดุตรงนั้ น, ด, น, นดูตรงนี้ดูคนนั้นดูตรงนี้มันก็เหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่าไงถ้ามองดูตามแบบโลกโลกแล้วมันก็เป็นลักษณะนั้นหนิใช่ ว, ว่าง เพราะไหวพลิปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลสเห็นแต่กิเลสมันเหยียบหัวเตะนวนเตะนี่ทั้งสอกทั้งเขา่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเทินกลับครอบคราบไม่ได้ถูกกิเลสเตไปขนาดนั้นมันก็นหน่าโมโหที่นะ่าเปิดตรงนั้นจะเปิดงนั้นจะตรงว่าทําไมเอางั้นไปงั้นทำไมเอางี้ไปงี้ไหนเหมือนอย่างว่าจเปิดตรงนั้นจะ เ, เ, เ, เ, เปิดตรงนั้น เ, เนนนนลยให้สติปัญญาให้ทําเหนือกิเลสแล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงใด มันจะแสดงมาในท่าทางอาการใดจะมมไม่พ้นจากสติปัญญาที่เหนือมันไปได้เห็นหมดรู้หมดทั้งๆ้ที่ผู้นั้นไม่รู้ไม ะ, ะว่าไงถ้าลงได้เหนือแล้วเป็นอย่างนั้นที่เรนนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเรามาต้งนานเท่าไหร่แล้วนนลแล้วลเคยต่อสู้กับมันด้วยยังไงแล้วอสมมุติว่ามันพินาศทิมหาไปเขามันพินาศทิมหาไปจากหัวใจนี้แล้วทำไมมันอยู่หัวใจอื่นทำไมจะไม่รู้ มันเป็นเพลงเดียวกันวิชาเดียวกันที่มันไปเสี่มสอนสัตว์โลกเสี่ยมสอนไขก็ตามทำไมจะไม่รู้ควรมยาของมารไหนอู้เหนื่อยอย่างเงี้โอยเหมือนคำกิเลสฟังเสียงเปี่ยงเปี่ยงเอาละพอมันเหนื่อยแล้ว